เทพเออแล้วนั่งรถอะไรมาเหรอเอาครับเหนื่อยหน่อยนะธรรมดาครับแต่ก็เป็นบรรยา ก, กาศอีกแบบหนึง่งฝุ่นตลบเลยใช่ไหมล่ะจะ <c oughs> มาตถนนลูกรังที่เข้ามาในหมู่บ้านเทนั้นเองฮะแต่ถน น, นใหญ่สบายๆรับลมธรรมชาติก็สดชื่นดีออกตอนนี้มันเข้าหนาหนาวแล้วอากาศก็เลยดีหน่อยแต่เข้านาร้อนแล้วก็ฝุ่นตลบกว่าที่เห็นหลายเท่าชละเสื้อขาวเนี่ย กลายเป็นเสื้อเหลืองแล้วใช่ไหมครับอืมใช่แล้วก็ยังน่าอยู่นะฮะดีกว่าอยู่ในเมืองไปไหนๆติดใจบนดอยเขาแล้วสิธาอะคอางจริยงั้นมั้งครับใครมาที่นี่ก็ติดใจกันทุกคนนั่นแหละเพราะคนที่นี่อัธยาศัยดีนี่พูดจริงๆ น, นะไม่ได้มู่นะครับผมเห็นด้วยไปอย่างยิ่งเลยฮะเออแล้วนี่กินอะไรมาแล้วหรือ ย, อยังละ่ะก็กินนิดๆหน่อ ย, อยลองท้องนะครับ ก็จะกลับมากิน ก, กับข้าวฝีมือศิลาเขานะฮะก็ <c oughs> เอาสิกับข้าวกับปลาอยู่ในตู้กับข้าวนู่นนะเออแต่ว่ามันเย็นหมดแล้วละ่ะหนาหนาวแบบนี้ทําเสร็จก็ต้องรีบกินกันเลยวางไว้ซอกพักมันก็เย็นฉืดแล้วแล้วนะครับศิลาไม่อยู่เหรอฮะอยู่หลังบ้านมาั่งเดินไปดูเองสิแล้ว อ, อยู่ในห้องก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออขากลับมาจากข้างนอกก็ไม่เห็นลูกข่าแล้วละ่ะงั้นผมตามศิลานะครับพอเท่าโอ้ได้เลยเดี๋ยวมานะครับเอ อ, เ อ, อ, เ อ, อ, เ อ, อ Oh <laughs> ขอโทษขอโทษไม่ได้ตั้งใจทำให้ตกใจนะขอโทษจริงจริงสีลาไม่เป็นไรหรอกคะทําอะไรอยู่อะฮะจับหนอนในผักนะคะอ๋อต้องจับด้วยเหรอไม่จับมันก็กินใบผักหมดสิคะอ๋อนี่ผักปลอดสารพิษเหรอเนี่ยคะ่ะไม่เคยฉีดพ่นยาเลยทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดอ๋อมีหน้า ม, มีหน้าอะไรนะคะสาวชาวดอยแม่โซเรียง ผิวพรร์ที่ได้ดูผุดผ่องขนาดนี้จริงเหรอจริงสิเข้าใจชมคนนะคะเนี่ยนี่พูดด้วยความจริงใจนะทราบแล้วล่ะค่ะเป็นอะไรเปล่าฮะเปล่านี้คะ่ะคุณเทพคิดว่าฉันเป็นอะไรเหรอก็เห็นเธอซึมไปไม่มีอะไรค่ะเอ๊ะนี่เธอตาบวมเลยนะยเป็นอะไรเำไมต้องสะดุ้งโหยงด้วยล่ะฮะเออไม่มีอะไรหรอกคะ่ะนี่แน่ใจนะ แน่ใจสิคะอ๋อไม่ว่ากันถ้ามีอะไรไม่สบายใจก็บอกฉันได้นะค่ะฉันอยู่ข้าวจังเลยอ่ะตั้งใจจะกลับมากินกับข้าวฝีมือเธอนเ น, นี่ยได้สิคะแต่ว่าคุณเทพต้องรอเดี๋ยวนะฉันจะไปทำกับข้าวเพิ่มนะคะไม่ต้องทําเพิ่มหรอกอุ่นกับข้าวที่เหลือก็พอแล้วดูก่อนนะคะถ้าเหลือเยอะกอาจจะไม่ทําเพิ่มแต่ว่าถ้าเหลือน้อยคงจะต้องทําแล้วล่ะค่ะจ้าขอบใจมากนะค่ะศิลาค่ะฉันรักเธอจริงๆนะค่ะ ฉันไม่ได้หลอกเธอนะค่ะไปรอขึ้นเรือด้วยกันเถอะจ้ง รับฟังรายการละครวิทยุแม่สีเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment a h a n k u t n y s h a n m y m y co b h u nhân g e e y eyes ั g a i ไม่เหมือนคำที่พูดเลยใจคนเรายากเย็นเกินไปไม่เห็นต้องทำให้ยากเลยอย่างฉันก็ทำก็เป็นเหมือนอย่างเคยบอกเลยจากใจว่ารักเธอปากเธอแค็งรู้ไหม แต่ว่าฉันก็รับไปด้วยหัวใจที่รอได้แต่วังสักครั้งคำเดียวก็พออยากได้ยินว่ารักกันดด ด, ด ยยใจคนเรายากเย็นกันไปไม่เห็นต้องทำวิญยากเลยอย่างฉันก็ทำก็เป็นเหมือนอย่างเคย บอกเลยจากใจว่ารักเธอปากเธอข้างรู้ไหมแต่ว่าฉันก็รับได้วยหัวใจที่รอได้แตว่วสักครั้งคเดียวก็พออยากได้ว่ารักกัน ยกได้ยน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 This song. ความปวดร้าวในคราวนั้นที่มันฝังใจอย่าแบกให้เนื่อยล่ามองที่ฉันคนนี้ที่รักเธอม่นานคนที่เธอนั้นมองผ่านเรื่อยมาอย่าเพิ่งคิดว่าชีวิต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 ใส่มันลงแทนที่ในหัวใจที่เธอปวดร า, า ว, เ ธ, เ, ราาวเธอเกลียดเขาขนาดไนในหัวใจยิ่งคิดไปคิดมา It's just a p r o b l e n แชรความรักไปให้เธอแก่ไไว้ใส่มันลงทานที่ในหัวใจที่เธอบวดรัก and Why? a n i รับฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment ไปหาหมอมาหรือเปล่าครับก็แวะไปเหมือนกันนะแต่หมอก็งานยุ่งมากเลยได้คุยกันเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองก็อย่างว่าแหละหมอเป็นคนใจดีน่าเคารพนับถือชาวบ้านก็เลยชอบไปหาหมอคนนี้กับหมอคนอื่นนะไม่ค่อยมีใครไปหาหรอกครับก็คจะเป็นอย่างนั้นนะนะแค่ได้พูดคุยกันก็รู้แล้วว่าหมอเป็นคนใจดีจริงๆรักษาฟรีส่วนใหญ่นะเนี่ยนั่นแหละหมออยู่ได้งานกันไม่รู้นะพ่อเฒ่าอยู่ได้สิ เอาไ ด, ได้จากที่ไหนอ่ะเข็รักษา ฟ, ฟรีบ่อยๆนี่นะมีหน่วยงานของคริสตจักรเขาให้การสนับสนุนอยู่นะอ๋ออย่างนี้นี่เองอะมีหน้าพอจได้มีความสุขไม่ต้องมานั่งคำนวณกำไรกําไรให้ปวดหัวนะ่ะเออจริงครับแล้วคุณเทพอะไปไหนอีกครับก็โทรคุยกับคนทั้งบ้านนิดหน่อยเรอะครับพ่อเท่าเออพ่อแม่ยังอยู่ครบเหรอพ่อจากไปแล้วฮะเหลือแต่แม่คนเดียวผมไปลูกโทรนะพ่อเท่าอืมอืมดีดีด ผมต้องรับผิดชอบกญจการตั้งแต่ยังเรียนเป็ญญาตรีไม่จบดีอยู่เลยฮะเนื่องจากพ่อจากไปกระทานหันแต่ก็ดีฮ ะ, ะเพราะถ้าผมต้องเตือนร้อนต่อสู้ไม่อย่างนั้นแล้วก็กิจการข อ, องพ่อต้องพังซึ่งผมก็ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้หรอกภาระทางบ้านเยอะมากจริงๆก็ต้องรู้ไปข้างหน้าแหะครับแสดงว่ามีแม่คอยให้กำลังใจอยู่ข้างหลังอย่างดีมากๆเลยล่ะสิครับแม่ผมทำเป็นพระรที่ประเสริฐสุดๆเลยฮะผมทําทุกอย่างประสบความสําเร็จได้ ก็เพราะได้กำลังใจอย่างดีเยี่ยมจากแม่ขเขาดแูแท้ฮะไม่อยากเจอหน้าแม่ของปลอดเทพเขาแล้วล่ะสิเนี่ย <c oughs> แล้วขาดนี่นี่ขาจะมีโอกาสได้เจอไหมล่ะเนี่ยมีสิครับ <c oughs> พ่อเท่ามียังไงล่ะเขาว่านะแม่ของปอดเทพเขาเนี่ยคงจะไม่มาเหยียบดอยแม่เสลียนแห่งนี้หรอกไม่เป็นไรหรอกครับถ้าแมไม่ยอมมานะผมยินคนพาพ่อเท่าไปหาแม่เองก็ได้หานี่ ไปถึงบังกอกนู่นน่ะละใช่ครับยอดเยี่ยมไปเลยครับดีไหมครก็พ่อเท่าดีดี ด, ด, ดีมากมากเชียวล่ะเออเออสีลาเอ้จะพ่อเออเอ็ง อ, อ, อ, อยากไปบางกอกไหมล่ะก็น่าไปเที่ยวนะจ๊ะ แต่ว่าถ้าเราไปจริงๆคนกรุงเทพเนี่ยจะมองพวกเราแปลกๆมั้ยทไมเองถึงคิดว่าพวกคนบางกอกเขามองเราแปลกๆล่ะก็ดูการแต่งตัวของพวกเราสิจ้ะเป็นชนเผ่าชาวดอยโดยแท้แต่ว่าคนในเมืองก็แต่งตัวอีกแบบหนึง่งพวกเขาอาจจะต้องมองเราเป็นตัวประหลาดแน่ๆเลยโอ้ยไม่หรอกนะเราไปบางกอกมันก็ต้องเปลี่ยนการแต่งตัวนิดหนึ่งสิฮะ <c oughs> <c oughs> แบบว่าเขาเมืองตาหลีวก็ต้องหลีวตาตามอย่างนั้นเหรอถูกต้องถูกต้องถูกต้องเจ้าซูเวเราต้องทำอย่างนั้นเหมือนพ่อเทพยังไงล่ะมาอยู่ที่นี่ก็ต้องทำตัวให้ดูกลมกลืนไปกับพวกเรานี่แหละเขาเรียกว่าเข่าเมืองตาเหลีวก็ต้องหลีวตาตามไอ้ศิลาจะาพี่ถ้าวันหนึ่งคุณเทพก็หอให้ศิลาปีบังกอกอย่างทาวนเนี่ยเธอจะไ่ายังไงฮะ พี่สุเวถามอะไรก็ไม่รู้อ้าวก็ถามเรื่องจริงไงเรื่องจริงอะไรไม่เห็นเข้าใจเลยก็เธอกับคุณเทพเอ่ออะไรพี่สุเวจะพูดอะไรเหรอจ๊ะก็คือไม่แน่ใจก็อย่าพูดเลยนะเอ่อพ่อเท่าจ๊ะอืมพ่อเท่าพูดสิพ่อเท่าเข้าใจใช่ไหมว่าฉันพูดเนี่ยหมายถึงอะไร <c oughs> ว่างไงละพอเท่า <c oughs> เอานะเมื่อถึงเวลาแล้วทุกอย่างมันก็เป็นไปตามเรื่องนั่นแหละ อย่าเพิ่งรู้ในตอนนี้เลยอนาคตเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนว่าไหมล่ะพ่อเทพฮะก็ไม่แน่นะครับพ่อเท่าเออไม่แน่ยังไงล่ะเรื่องบางเรื่องไม่ว่าจะอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเนี่ยก็ต้องเหมือนเดิมทุกอย่างฮะมีด้วยเหะอมีสิครับพ่อเท่าอย่างเช่นอะไรบางล่ะก็อย่างเช่นความรักของแม่ที่มีต่อลูกแล้วก็ความรักที่แม่มีต่อพ่อก็เหมือนเดิมทุกอย่างฮะไม่ลครับดีมากแล้วพ่อเท่าล่ะฮะ อืข้าทำไมล่ะความรักของพ่เท่าที่มีต่อแม่แมเท่าเป็นไงบ้างโอ้รักกันดีมากไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนี่ขนาดแม่ของี่นางศรีลามันจากไปนานแล้วนี่ข้าก็ยังไม่เคยหันไปรักใครสักคนเลยข้านะ่ารักเดียวใจเดียวชั่วชีวิตเชียวหนาะดีฮะเป็นตัวอย่างแกคนรุ่นหลังได้ดีมากๆเชร์เครับพ่อเท่าอืมอืมสุเวศอย่าลืมล่ะ ลืมเลยครับต้องเจริญรอยตามพ่อเท่าให้ได้นะอย่าทําตัวเจ้าชู้ไก่แจ้ที่ไป ม, มีใครต่อใครจนทั่วดอยละ่หะหัวเราะอย่างเนี้นยแสดงว่าคิดไว้และวสิท้าหัวเราะนี่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนหลายใจนะครับผมแน่าใจเดียตลอดการครับโอ้โขดีมากเลยแล้วคุณเทพล่ะครับผมก็อยาไปอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่ที่ผ่านมาผมไม่เคยสมหวังในความรักเลยรักกันไปเดี๋ยวก็ต้องมีอันแยกทางเดินกันไปงั <l ots> ้นนะ ครับพ่อเท่าว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะพ่อเท่าอืมโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยคนรูปงามอย่างพอเทตจะมีผู้หญิงกล้าหักอกได้มีสิครับผมเป็คนเจ้าอรมณ์มากพ่อเท่าเฮ้ยใจเย็นๆอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนครับตอนที่ผมเปลี่ยนไปเยอะเลยฮะถึงหวาดสิไม่เอะอะอวยวายเหมือนตอนมาอยู่ใหม่ๆเลยนะฮะก็ผลให้พ่อเท่าเป็นตัวอย่างที่ดีฮะก็เลยต้องกราบขอบคุณพ่อเท่าไปเยอะมากเลยล่ะครับเอ อ, เ อ, อไม่เป็นไรไม่เป็นไร อยู่ด้วยกันก็ต้องช่วยกันพิษทุกก็ต้องหว่ากันตามเนื้อผ้าอะอะกินๆๆกินให้เยอะๆนะพ่อเทมนะกินเยอะๆเรเท่า<ๆ>สีลาอ้าวนี่ฉันตักข้าวแล้วนะจ๊ะทำงานไปเหนื่อยเนี่ ย, ยกินให้เยอะๆหน่อยนะจ๊ะขอบคุณค่ะ คุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากการรับฟังละครที่จบไปแล้วนี้โปรดเขียนใบสนิยบัรหรือจดหมายแสดงความคิดเห็นของคุณมาถึงเราที่ตูปปออ้ปน10อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ห0 0หหรือส่งที่ S.M.S. 082-033-5951 ทุกท่านที่ส่งความคิดเห็นเข้ามาทางเราจะจัดส่งหนังสือหรือซื้อยืดไปให้แก่ท่านฟรี